พระธรรมเทศนาะแผ่นที่59าลำดับที่ส2องโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าปลุกใจให้สู้เพื่อความดีวันนี้เป็นวันที่ส8ปด ธันวาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน1นเป็นวันที่พวกเรามารวมกันแต่ปีนี้ก็มีพระบวชเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาวันที่29พฤศจิกา ก็มีพระมีการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันประกอบไหว้พระแล้วก็ฟังธรรมเทศนาตามจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระพวกเราเข้ามาบวชใหม่บวชเข้ามาแล้วก็ไม่มีกิจกรรมอะไรก็ไม่ได้แต่เป็นพระเก่าผ่านผ่านการฝึกมาแล้วก็ต้องมีจะต้อง ทำโดยตนเองจะขี้เกียจขี้คลานอ่อนแออย่างไรก็ช่วยไม่ได้เพราะได้รับการฝึกมาแล้วเหมือนกับทหารถ้าได้ฝึกมาแล้วเมื่อเขาทำกิจการงานหรือท่าเข้าทำหน้าที่ขาดตกบกพร่องไม่มีใครไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตั ว, ตวเองทาหน้าที่ย่อหย่อน หาดตกปกพ่องนี่พระเก่าก็เช่นเดียวกันเมื่อได้รับการแนะนำสั่งสอนรู้หมดทุกอย่างแล้วจะปฏิบัติอย่างไรอันนั้นก็สุดแท้แต่เป็นเสียแต่เห็นต่อหน้าต่อตาขี้เกียจขี้คลานอ่อนแอต่อหน้าต่อตาอันนั้นก็ต้องอับเปหิต้องไล่หนีออกจากวัดแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นก็อเอาผ่านๆไปส่วนพระใหม่ที่เขามาบวชใหม่ยังไม่รู้ก็ต้องฝึก อย่างที่พวกเราทั้งหลายฝึกนี่นะพวกเราก็จะได้เป็นแนวทางต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรามาฝึกอยู่ที่นี่เราก็ได้รู้จักแนวทางการฝึกการนั่งสมาธิทำอย่างไรใหม่ๆเราก็ต้องฝืนต้องสู้แต่ต่อไปความเคยชินหรือว่าความอดทนของเรา ก็คงจะสูงขึ้นลำดับลำดับเพราะเราฝึกเราพยายามมาฝึกฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองอยู่แล้วในเมื่อเรามาฝึกหัดพร้อมกันเราก็ได้ฟังธรรมเทศนาหรือว่าเปิด MP3 ให้ฟังเป็นแนวความคิดแต่ละวันอย่างน้อยก็เป็นแนวความคิดอันนึงที่พวกเราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากนั้นเราก็เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราสงสัยเราก็พร้อมที่จะค้นคว้าศึกษา ในหลักธรรมคำสอนเพราะครั้งพระธรรมของเราก็มีอยู่ในวัดอยู่แล้วก็พร้อมกันเราก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเพิ่มเติมเข้าไปอีกมีการล้วนแล้วจะเป็นการเสริมสติปัญญาบารมีของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมแนวความคิดของพวกเราแต่ก่อนเราไม่รู้พอเราไม่ได้ใส่ใจเรามีแต่ใส่ใจเรื่องอย่างอื่นการธรมมาหาเลี้ยงชีพยยอย่างอื่นค้นคว้าศึกษาอย่างอื่น แต่เรื่องพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนสนใจเท่าที่ควรแต่มาคราวนี้เรียกว่าจํายอมหรือว่าจําเป็นหรือว่าเราเพื่อจะมาศึกษาค้นคว้าด้วยศรัทธาของเราหรือว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมาตั้แต่ก่อนเก่าปฏิบัติภ า, ภาวนากรรมฐาน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 เหมือนกับทับ พ, พีชแช่อยู่ในหม้อกแกงถึงจะแช่อยู่ร้อยปีพันปีก็ไม่รู้รสหวานเค็มของแกงนั้นๆเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ใส่ใจเหมือนกับทัพพีชแช่อยู่ในหม้อกแกงแต่ว่าลิ้นเราไปนั่นสถานที่ใดรสเผ็ดเผ็ดหวานเค็มอะไรเราก็รู้เพราะลิ้นของเราเราพร้อมที่จะรับรสนี้ก็เหมือนกันเราเข้ามาสู่ระวทปาศาสนา มาสู่พระธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าเราควรจะเป็นลิ้นไม่น่าจะเป็นทัพพีน่าจะรู้รถน่าจะศึกษาค้นคว้าเมื่อเราศึกษาค้นคว้าถึงจะมีเวลาน้อยชั่วระยะหนึ่งผมก็มั่นใจว่าถ้าว่าพวกท่านประทับใจในการประพฤติปฏิบัติของพวกท่านพวกท่านก็จะแนะนำไปใช้ ต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อท่านออกไปเป็นฆรวาดหรือว่าท่านไปออกจากวัดนี้ไปถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภาคนานอ น, นั้นยิ่งมีประโยชน์อย่างมากเพราะเป็นพื้นฐานที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกท่านต่อไปท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็จะได้นำทำคาสอนที่พวกท่านได้ศึกษาแล้วนี้นาไปบอกกล่าวแนะนาสั่งสอนจิตญาณิตต่อไปภายภาคห น, น้า แต่ว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ไม่ได้รับการศึกษาเฉยๆมาอยู่กับมาอยู่กับมาอยู่ถึงพระประธานท่านถึงท่านจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนพระประธาน เ, เป็นพรมครูของพวกเราแต่ท่านาเรามาอยู่กับท่านโดยที่ท่านไ ม, ไ, นะไม่ได้แนะนำสั่งสอนอะไรมีแต่มากราบมาไหว้ทั้งวีทั้งวันมาปนอุปธรรมประทักโดยเราที่ไม่ได้ดศึกษาอะไร พวกเราจะได้ความรู้ความฉลาดไหม่อันนี้ผมก็มั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าเพราะฉนั้นเองพวกท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาเรามาสู่วัดของผมผมจึงเก็บประเด็นนั้นประเด็นนี้แนวความคิดทัน้นแนวความคิดนี้มาตีแผ่ขยายผลให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านถ้าว่าเป็นผู้สนใจใฝ่ในการศึกษา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 เอามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือเฉพาะหน้าผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะฉนั้นสรุปแล้วก็คือทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฮะแล้วก็พร้อมกันในเมื่อพวกท่านทั้งหลายออกไปเป็นสู่คารวาสญาติโยมพวกท่านทั้งหลายก็จะ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 อายุก็มากอายุของพวกท่านก็มากแล้วก็พร้อมที่จะหันเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเข้ามาหาที่พึ่งทางด้านจิตใจผมมั่นใจเหลือเกินว่าในช่วงนั้นพวกท่านจะต้องลํำลึกถึงคุณงามความดีและลําลำลึกถึงสมัยเมื่อพวกท่านทั้งหลายในมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดของของเราในวัดของผมแห่งนี้จากนั้นพวกท่านทั้งหลายเมื่อ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 ได้อ่านจากตำรับตำราในขณะที่พวกเราท่านทั้งหลายได้บวชจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกท่านนี่แหละการศึกษาและการฟังผมเองมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่แบ บ, แ บ, บทับชีแช่ยอยู่ในหมอกแกงอย่างที่ผมว่าถึงจะอยู่นสถานที่ใดไปนักสถานที่ใดก็ตามไม่เกิดประโยชน์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 การอยู่ด้วยการบางครั้งบางก็มีความไม่เข้าใจกันแต่บางทีก็เจตนาก็มีไม่เจตนาก็มีบางทีก็ความรู้เท่าไม่ถึงการก็มีในหมู่ในคณะแต่ถึงยังไงเราไม่ได้มามุ่งหวังเพื่อจะเอาผิดเอาถูกไม่ใช่ว่าเขาพูดพูดผิดเพียงคาเดียวก็หัวฟัดหัวเวียงเอาเป็นเอาตายกับเรื่องเหล่านั้นทั้งที่มันเป็นเรื่องของโลก มันเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกับหมาเหา่าเอ่งโ ง, ง, ง่ขึ้นมาแล้วก็เล่าก็ไปไล่ตีหมามันเห่ากูทําไมไม่มีเหตุไม่มีผลเอาไปมาจะไปกัดขาหมาอีกต่างหากถ้าไม่ใช่โง่แล้วจะว่าอะไรเไม่ใช่โง่ธรรมดาอีกบอรมะโง่ใช่สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดเราไม่ได้มามุ่งหวังอย่างอื่นเรามุ่งหวังเอ่ยมาหาเพชรท้าพลอยหาเพชรนินกินดาหาของดีเราต้องมุ่งหวังไปในทางที่ดี อหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไฝ่ในทางที่ดีเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเราเข้ามาบวชเรงเข้ามาเกิดในโลกคราวนี้เรามาเกิดในโลกครั้งนี้คราวนีเ้เราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเรา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 ทางหนีทีไลเ่เราก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธอย่างเดียวหรือเราจะชนอย่างเดียวหรือเราจะเอาชนะอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเราก็ต้องแข็งบางเรื่องเราก็ต้องอ่อนบางเรื่องเราก็ต้องหลบสิ่งเหล่านี้มันเพราะติตเพราะปัญญาของพวกเรา ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรอบครอบในการเป็นอยู่นั่นแหละชีวิตของพระชีวิตของนักบวชชีวิตของผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าในวัดวาศาสนาต้องรู้จักหออลบหลีกรูออ้ห ล, ลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแต่สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อหมูพวกเพื่อน อ, อ, อันนั้นเราต้องทำ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 สิ่งไหนที่หายเนะที่ท่านได้ห้ามไว้แล้วท่านบอกไว้แล้วสิ่งนั้นเราต้องระวังพราเรามาอยู่ที่วัดของท่านมาอยู่ที่วัดผมสิ่งไหนก็ตามถ้าผมได้ห้ามแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องฟังแต่ถ้าว่าพวกท่านอยทั้งหลายอยากจะทําออกยักออกจากวัดนี้ออกจากวันนี้ไปจะทํายังไงก็ได้ผมไม่ได้ห้ามเอแต่ว่าผมได้ยินว่าพวกท่านทําไม่ถูกนั่นแหละผมจะห้ามไม่ให้เข้ามาเหยียบวัดผมอีก เพราะมันจะเปิื้เปื่อนสิ่งเหล่านี้มันต้องมีขั้นตอนเมื่อเราอยู่เราก็อยู่เพื่อการศึกษาอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งหลักพระธรรมวินยัยต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าวิธีการวางตัวนั้นวางอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในวัด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 ท่นก็มุ่งหวังหวังไปถ้าผู้มุ่งหวงหวังในธรรมแล้วเรื่องไม่มีเรื่องน้อยมากแต่ถ้าว่าพูดหวังกิเลสมีกิเลสในจิตใจนั้นจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ อ, อมีอะไรก็เนีเอ่อความพิดนิดนติดหน่อยๆ อ, อก็เอามาคิดมาฟุ้งมาปรุงม า, มาสัาน้นมาเอาแพ้เอาชนะกันอยู่นั่นล่ะอันนั้นแปว่าผู้มาสั่งสมกิเลส มาสั่งสมความไม่ดีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูใจของตนเองมาเข้ามาบวชในพระพุทธ ศ, ศาสนาในคราวนี้ครั้งนี้เรามาสั่งสมอะไรมาสะสมอะไรถ้ามาสะสมคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีแล้วไม่มีปัญหาปล่อยวางได้ทั้งหมเรื่องนะั้นเป็นเรื่องของโลกสัพรพสัต ท, ทั้งหลายในโลกนะี้มีมากมาย เสียงนกเสียงกาเสียงไก่เสียงหมูเสียงหม า, าร้องอะไรมีหมดทุกอย่างาแต่สำหรับผู้เราพวกปฏิบัติแล้วนั่นแหละ เ, เราจะลูกต้องเลือกเฟ้นอันไหนควรมิควรอย่างไรนะอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องวัดของเราเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเราไม่ได้เน้นนัง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 อันนั้นท่านไม่ว่าอันนั้นช่วยท่านช่วยเหลื อ, ลอโลกแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนะี่ยยังไม่มีอะไรนะกระโดดโล ด, ดเต้น ห, หวังนั่นหวังนี้ต้องการนั่นต้องการนี้อยากจะให้คนยกย่องเชิดชูบูชาฉันลเสริญตัวเองสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดเอาไว้ตระหนักในใจอย่าไปมุ่งหวังอะไรมากนอกจากทำถ้ามุ่งมุ่หวังทำในใจแล้วมีแต่ความผาสุก อยู่นัสถานที่ใดไปนักสถานที่ใดมีแต่ผาสุกทั้งนั้นอยู่คนเดียวอยู่มากอยู่น้อยก็มีแต่ความผาสุกแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันแหมมากมาย ก, ก็มีแต่มากขี้ควายหลายขี้ช้างไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเข้เามาบวชในพุทธศาสนาหรือบวช เ, เป็นพระอยู่ที่ถาวครเหมือนกันเนี่ยที่เป็นพระอยู่ประจำ ที่จะดำรงทรงศาสนาต่อไปภายภาคหน้าต่อไปภายภาคหน้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่มีอายุพรรษาขึ้นมาในขณะที่อยู่กับครูบาอาจารย์หรือขณะที่อยู่ศึกษาท่านต้องศึกษาค้นคว้าอันไหนอันไหนต้องศึกษาให้ได้ท่องบนสาธยายอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ท่านต้องขยันไม่ใช่อยู่เป็นวันๆอยู่ชังกระตายเป็นวันๆไป ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงเป็นผู้ใหญ่ซื้อบือ้ออย่างนั้นเหรอเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งโง่ใช้ไม่ได้นะเิ่งไหนถึงเราจะไม่ทำอะไรก็ต้องเป็นฝาปาังอายเอาไว้ต้องเรียนเอาไว้ศึกษาเอาไว้เพื่อต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้ใช้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เป็นวันๆไปจบเป็นวันๆไปถามอะไรก็ไม่รู้ แต่สวดมนต์ชาทยายอะไรก็ไม่เป็นไม่รู้อันนี้แปลว่ากรรมฐานเนี่ยเขาดูถูกอย่างมากพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่างนั้นผมเลยดูซิผมไม่ได้ยกย่องตนเองนะผมก็เป็นลูกตาสีตาสาตาเมต า, มาบวชมาอายุเท่าไหร่ผมได้เรียนอะไรแต่ผมไม่ได้อยู่กับอยู่นิ่งดูได้ผมค้นคว้าศึกษากล้าพูดกล้าแสดง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 หมดความกระตือหรือล้นทางด้านจิตใจถ้าหมดไฟจริงๆคือหมดกิเลสอันนั้นก็ไม่มีปัญหาเออถ้ากิเลสจังเต็มหัวใจหรืกิเลสท่วมท้นหัวใจแล้วหมดคุณงามหมดพลังคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอันนั้นน่าตำหนิเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอยากให้เ อ, อเป็นผู้ที่หมดเฮ อ, อหมดความกระตือหรือล้นหมดไฟคุณงามความดีเออถ้าหมดไฟกิเลส อันนั้นเลิศประเสริฐเอาชําระหมดให้มันหมดไปเลยกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นอันนั้นชําระอย่างนั้นได้เลิศประเสริฐตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าหมดกระตือความกระตือลือล้นคุณงามความดีไฟไปแต่ทางชั่วบาป อ, อกุศลขนเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเองอันไหนที่เป็น ความช่วยช้าเสียหายผิดต่อห ล, ล, ลักพระธรรมวินัยหลบๆบซ่อนๆ่อนลิกหีเกลี้ยงเรี้ยงทำอย่างนั้นไม่ถูกนะพวกท่านทั้งหลายไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวพวกท่านเองไม่ต้องพูดกันนี่แหละสิ่งเหล่านี้ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ต้องกล่าวเตือนย้าให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องในหลักพระธรรมวินยัย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 เราจะเสริมทางชั่วหรือเราจะเสริมทางดีถ้าหากว่าเราเห็นต้นตอแล้วจะไปเสริมทางชั่วแสดงว่าเราก็แย่มากเป็นหมู่ของปเทวทัตแล้วถ้าเสริมทางดีก็เป็นตุกษิตของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรเพราะเรารู้รู้ว่าจิตใจของเราคิดไปในทางไหนมันไปทางต่ําหรือไปทางสูงเพราะอมสมาธิมีสติสัมปชัญญะ ดูใจคน ง, งตนเองอยู่ตลอดเนี่นี่แหละพระกรรมฐานเนี่ยแปลว่ามาดูใจมาหาดูต้นต่อของหลักการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติมนุษย์พระกรรมฐานไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรแล้วใครจะรู้ถ้าพระกรรมฐานไม่ได้สนใจดูใจของตนเองเอมีแต่มองไปแต่ข้างนอก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 น่ารักใคร่ชอบใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอ่ยอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านให้มองอให้มองร่างกายเนี่ยมันมันไหลเข้าไปสู่ความแก่ความตายในที่สุดไหลไปเรื่อยๆไม่มีใครที่จะน้อยหนุ่มไปข้างหน้ามี่แต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดจบในเมื่อถึงจุดจบแล้ว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 รถชนรถเฉียวตกเครื่องบินรถตายไปต่างคนก็ต่างไปของใครของเราอีกเหมือนกัน เ, เพราะว่าปิญญาณต่างคนก็ต่างไปกรรมของใครกรรมของเราทั้งที่ตายด้วยกันแต่ไปคนละทิศทางกันก็มี เ, เพราะเหตุไรเพราะกรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างปุตุชนกับพระหรัน อ, อย่างที่ตกเครื่องบินอย่างเนี้ย หลวงปู่ชิงทองลูกปูลนั้นก็เข้าสู่นิพพานแพวกนั้นไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไม่รู้ตั้งทีตายพร้อมกันแต่ว่าตายพร้อมกันก็จริงอยู่แต่ว่าดวงวิญญาณต่างต่างคนก็ต่างไปท่านบริสุทธิ์ท่านก็เข้าสู่นิพพานท่านจะไปสู่พรมท่านจะไปสู่สวรรค์บางคนก็ไปสู่นรกก็มีไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานก็ไม่ก็มีอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้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 ไปบอกตัวเองพร้อมแล้วถ้าบอกตัวเองมีมากก็ยิ่งแผ่กุศลได้มากถ้าตัวเองไม่มีแล้วจะไปแผ่ได้ยังไงเพราะตัวเองไม่มีแต่าตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วไม่คุ้มตัวเองอยู่แล้วจะไปให้คนอื่นได้อย่างไรเหมือนกับเรามีเงินหน่อยหนึ่งเราจะไปให้เขาได้ยังไงถ้าเขาให้เขาก็เขากะมีขึ้นมาตัวเองก็จนเพราะมันหมดนะ ถ้าเรามีมากอยู่แล้วเราให้เขาได้อย่างพระหันที่ท่านได้เข้านิโรธจมาบัตดพอออกจากนิโรธจมาบัติเขามาทำบุญกับท่านเขาปรารถนาอะไรสมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะได้บุญกุศลจากท่านผู้เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ได้บุญกุศลมากบำเพ็ญอย่างมากแล้ว บุญกุศลมหาศาลเออแต่เขาได้ไปก็เขาก็ได้รับส่วนบุญสมกุศลเพราะนั่นพวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาบวชในคราวนี้ก็ให้ทุกองนั้นอะ่ะทั้งพระใหม่พระเก่าอพระยุคเก่านะโดยเฉพาะอย่างหิ่งพระเก่านะั่นนะควรจะเป็นตัวอย่างพระใหม่เพราะได้รับการศึกษาดีแล้วถ้าองค์ไหนนะผูกตรงๆงเลยนะถ้าองค์ไหนเป็นพระเก่าทําตัวไม่ดีผมจะไม่ให้อยู่นะ พอพาหมู่พวกเพื่อนเสียสอนไปเท่าไรกับมันก็ยิ่งเสียเพราะเ็ะไรเพราะพระเก่าพาเป็นพระเก่าสอนเท่าไหรมันไม่ขึ้นยกเท่าไหรมันก็ไม่ขึ้นไม่เป็นตัวอย่างแต่อย่างน้อยก็ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเป็นตัวอย่างให้แก่พวกน้องๆที่เข้ามาใหม่เป็นยึดเป็นแนวทางไม่ใช่ว่ายึดไปทางที่มันไม่ดีไอ้สิ่งไหนที่มันไม่ดีกับพาพระน้อยพระหนุ่มเขาทําพาพระ เขาทำในสิ่งที่ความหายนะนที่จะเกิดขึ้นเราผู้เป็นหัวหน้าที่จะสอนสอนอยังไงมันก็สอนไม่ขึ้นเพราะละเพราะพระในวัดไม่เป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ผมไม่ใช่ไม่คิดนะผมย้ำแล้วย้ำอีกบอกพวกท่านทั้งหลายอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่ได้ฟังได้ยินได้ฟังจากผมไปแล้วนาไปคิดกันกรองไตรตรองแล้วก็นาไปพืประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่า ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เป็นวันๆไปจากนั้นสิ่งที่มันช่วยช้าเสียหายนั่นน่ะนํามาบอกมากล่าวมาแนะนำให้ผู้ที่เขามาบวชใหม่อมีไหมถ้ามีบอกนะกูบาใหม่นะออกไปแล้วบอกหลวงพ่อได้วัดของหลวงพ่อเนี่ยองนั้นองค์นี้เป็นอย่างงั้นอย่างนี้นะเป็นผาคเก่าบอกมาอหลวงพ่อจะไม่ไม่เอาไวนะ้แล้วเอาไว้ทําไมของไม่ดี มีแต่ต้องการของดีเท่าน่ะเอาไว้ในวัดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นเป็นการย้าเตือนนะจริงไหมที่ผมพูดเนี่ยทำไม่ดีจะไว้ทําไมเนีเหมือนกับพยาธิอยู่ในตัวของเราเนี่ยก็ต้องพยายามมาออกเนีมันเกาะถ้ามันเป็นของดีอยู่แล้วไปตัดทับทําไมตัดนิวน้วมือนิ้วมือนิ้วเท้าทำไมเพราะมันดีแต่มันไม่ดีเนี่ยเอาไว้ทําไม เป็นอันตรายสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายต่อไปพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่พวกท่านหลายก็คงจะคิดอย่างผมเหมือนกันผมมั่นใจแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่คิดอย่างผมนะพวกท่านกันนะเละตุ่มเป๊ะไปหมดหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้อผลที่สูงขนาดขนาดจะเอาตัวตัวเองจ ะ, จะรอดก็รอดไม่ออกรอดไม่ได้อีกต่างหาเพราะเหตุไรเพราะเนี่ะไม่เป็นหลัก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 ไปอยู่นสถานที่ใดให้เป็นพระดีเมีศีลมีธรรมมีธรรมวินยัยเป็นเครื่องอยู่ะพวกรัตนพวกท่านทั้งหลายอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความผาสุกทีนีไม่มีเรื่องไม่มีเราเออการทะเลาะบ่ำแหวงกันไม่เกิดเด็ดขาดเพราะเหตุไรเพราะอยู่โดยธรรมอยู่ด้วยธรรมมีอะไรกับพูดกัน เ, ออเราไม่ได้มาเพื่อสังสมกิเลสออไม่ได้มาเพื่อสะแสวงหากิเลสเข้าสู่จิตใจ เพอน้อให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราทันทั้งหลายได้ศึกษาต่อจ น, นี้ไปผมจะจุดในการพูด